พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่31โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่27มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าใหญ่ยยกับพ่อก่อกับครูเมื่อกี้นีพวกเราก็คงจะ ฟังหลวงพ่อพูดอะไรนะหลวงพ่อพูดว่าพระออกจากวัดเราไปเนี่ยไปยังไม่ถึงเท่าไหร่นู่นไปหาก่อสร้างะพราะสร้างเสร็จแล้วยังไม่สร้างยังมาขอเงินจากหลวงพ่อไปอีกขอปัจจัยอีกเพื่อจะให้การสนับสนุนหลวงพ่อเราอ้วกจะแตกกับพระแต่ตามไม่จริงรอหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ดูสิ หลวงพ่อไม่เคยไปขล้องปัจจัยกับหลงตานะพอมาอยู่คนนะีอยู่ตามลำพังอยู่ไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูคู่คนที่มาเกี่ยวข้องไปเรื่อยดูตัวเองไปเรื่อยดูพระเนนไปด้วยดูไปหลายหลายรอบหลายหลายข้างจากนั้นพอจะทำตัวไหนขึ้นมาค่อยคิดทำไม่ใช่ปรับขึ้นมาแล้ว อยากจะสร้างตอนนั้นอยากจะสร้างตอนนี้เงินตัวเองไม่มีกระเสือกกระสนเหมือนบ้าพูดจย่งนั้นได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่เสริมนะคนไม่คิดไม่อ่านตัวเองอยู่คนเดียวไมสู้สร้างกุฏิมนโลกกี่หลังสร้างไปเพื่ออะไรสร้างเผื่อคนอย่างนั้นเหรอเราเคยทำไหมอย่างนั้นเราทําไม่ให้ใครเดือดร้อนถ้าเขาถวายมาเ อ, อิเราก็ทําำถ้าเขาไม่ถวายมาเราก็ไม่ทํา เราทำเราก็ทําเล็กอีกต่างหากเห็นไหมกุฏิล้านที่เราทําก่อนๆเราเคยอยู่อย่างนั้นอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดฝ้ายังไม่มีอีกต่างหากใช้ฝ้าผ้าข้างบนตีไม้เลิกไม้เล็กคืคือไม้ไผ่ตีไม้ไผ่เป็นเล็กเป็นเล็กเพื่อให้เป็นโครงกระดูกจากนั้นก็ใช้ผ้ากีบอนตึงเอาไว้เวลาลบ กระแทกมาก็ให้มันอยู่ในโครงไม้ไผ่ทั้งหัวทั้งเท้าแต่ทั้งสองข้างเนี่ยเป็นฝาจีบอลเวลาขึ้นมาแล้วก็มีห่วงเกาะเอาไว้ไม่ให้ลมกระแทกเวลาลงไปก ป, ปลดยื่นมือลงไปปลดแล้วก็ลูบจีบอลอันนี้คือเราอยู่ที่วัดปลาบ้านตาล้วจับมรนาที่นั่นด้วย นี่คือพอจากนั้นมาเรามาอยู่ที่นี่เราก็สร้างกุฏิแล้วก็มีม้งลวดมีเพดานมีประตูเข้าทางเดียวดูข้างในนั่งภาวนากลางวันก็ได้กันยุงด้วยแล้วกันหนูด้วยแต่ที่บ้านตาดที่วัดของหลวงตาให้อาหารกระแตกลางคืนกบมีหนูยู่เยี้อไปหมดทางวันไหน อาหารไม่มีในร้านกระแตนี่แหละมันขึ้นมาลบกวนพระเลยแล้วทำยังไงเวลาท่านเรียกประชุมเอาประชุมวันนี้อันดับแรกเราต้องคิดถึงผ้าผ้าคลองเราก่อนผ้าไตรจับยัดใจบาทไว้ก่อนเอาฝาบาทปิดเอาไว้เพื่อกัดยางอื่นก็ให้มันกัดไปแต่ยัดกัดผ้าคลองผ้าไตรเนีย่ยคือผ้าไตรเราต้องรักษาไว้ใส่ในบาทแล้วก็ปิดฝา บางทีขึ้นไปกับพอประชุมเสร็จกลับไปบางทีหนูกัดหมอนแหละอย่างนั้นก็มีแต่เราอยู่ที่นั่นมันก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกันขึ้นไปเมื่อกุติมันแคบพอเราส่องไฟท้า น, นหนูก็กระโดดล่ะนี่แหละคือการเป็นอยู่ของเราเพราะนั้นเราขึ้นมาที่นี่เราอูหลูหลาโออามีกุติมีศาลามันไม่ใช่มันมีอย่างนี้มาก่อน เราเคยจนมาก่อนเราเคยทำอย่างนั้นมาก่อนเพราะนั้นท้าวันลูกน้องของเราอยากจะไปทำเราก็ไม่ว่าแต่มันได้มาโดยเป็นธรรมแต่ถ้าว่าเกเียรอกระสนเราไม่เห็นด้วยต้องอยู่แบบปอนปอนซะก่อนดูบริวารดูสิ่งแวดล้อมดูคนที่ใกล้ชิดดูชาวบ้านของเขาแล้วก็ดูหมู่ที่มาอยู่ด้วยจะเป็นฝึกแผนขนาดไหน นขนาดเราสร้างศาลาใหญ่หลังนี้เห็นไหมอยู่ข้างล่างแต่ทำไมเราจึงไม่ใส่ลูกโรงอยู่ในที่ศาลาราลอดศาลาตามในยิงเขาต้องทำอย่างนั้นแต่นี่หลวงพ่อย่นก็มาครึ่งศาลาลูกกรงข้างล่างทำไมหลวงพ่อคิดน้อยนะบอกว่าพระของเราเนี่ยในวัดของเราเนี่ไม่น่าจะถึงสิบห้าหกองเพราะเราสร้างศาลาใหญ่ก็เต็มนะเมื่อมีไม้มีของก็สร้างซ แต่ว่าเราเจะฉันข้างล่างพอฉันเสร็จแล้วเราก็เนี่ยให้พระเอาน้ําสาดล้างสี่ห้าวันล้างครั้งหนึ่งล้างกระเบื้องแ ล, แล้วก็จบแหละข้างบนไม่ต้องขึ้นมาดูมาแล้วพรพระน้อยต่างองค์ก็ต่างอยู่ผู้คนก็คงจะไม่มากเเราก็คิดเราวางแผนไวถึงขนาดนั้นแหละแต่ว่าแผนนี้มันผิดพลาดไปต่อมาน ครูบาอาจารย์โรงโรยไปอย่างหลวงปู่เทศหลวงปู่เลี้ยนหรือครูบาอาจารย์ในถิตนี้โรงโรยไปตามอายุสังขารของท่านทนวัดของเราก็เลยมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นม า, มากเนี่ยะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้คิดเอาไว้เพราะนั้น ผู้ที่เป็นลูกน้องหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยออกไปอยากจะให้หลวงพ่อส่งเสริมพ่อสงเสริมปกปกัปกแต่ทะเลาะ ก, กับลูกศิษย์ทะเลออกกาละกับญาติโยมแล้วก็เปิดแหนบบไปสร้างที่อื่นอีกฮะแล้วก็มาขออีกโอ้แปลว่ายังไม่มั่นคงเรายังมองไม่เห็นถ้ามันมั่นคงขึ้นไปแล้วเอออ น, นั้นขาดเหลืออะไรพอที่จะช่วยที่ตรงตรงที่มันขาด จะค่อยว่ากันจะค่อยเสริมในปุปปับไม่เท่าไรเนะใ่ขนปุ๋ยขนน้ำเขาไปเทใส่เข้าไปเดี๋ยวต้นไม้ตัว น, นั้นก็ตายปุ๋ยกัดปุ๋ยมันกัดน้ำมันท่วมต้นไม้เพราะมันต้นอยังเล็กอยู่นะสิ่งเหล่านี้มันต้องให้มันแข่งพอสมควรมองดูแล้วเป็นไปได้แต่ถ้าเราไปส่งเสริมเนี่ยเสียเราอีกต่างหากนะส่งเสริมพระไม่ เป็นตาเรื่องโอ้หลวงพ่ออินทําไมโง่เชิถึงขนาดนี้ดูพระเนี่ยมันน่าจะมาส่งเสริมเลยทำไมถึงมันทุ่มเทถึงให้ถึงขนาดนี้แสดงว่าหลวงพ่ออินไม่มีความคิดความอ่านอะไรเลยเลยเลยนะี่ยมันเสียกระทั่งเรามันไม่ใช่คนรู้จักน้อยๆ อ, อีกมันเสียเสียมากสิ่งเหล่านี้ต้องคิดที่จะส่งเสริมใคร่ที่จะให้ใครที่จะมอบ ความไว้วางใจกับใครมันต้องดูซะก่อนไม่ใช่จะคิดได้คิดทําไม่เหมือนพระน้อยพระหนุ่มสมัยก่อนสมัยพระน้อยพระหนุ่มไปที่ไหนก็ได้แต่ทุกวันนี้จะคิ ด, จ ะ, คดจะขยับขยื่นไปที่ไหนต้องคิดน่นต้องคิดให้รอบคอบจะสงเคราะห์ใครก็ตามจะเป็นโรงพยาบาลก็ตามเราก็ต้องถามไถ่มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนพอให้ไปแล้วจะทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะ บางทีพวกกลุ่มนี้ได้ไปก็ไปอวดเหยียบกลุ่มอื่นอีกทะเลาะกันอย่างนั้นก็มีเหมือนกระเด็กได้กล้วยอย่างนั้นพอได้กล้วยผู้ใหญ่ห้กล้วยนันไปอวดมือจะมาะแย่งกันทะเลาะกันอิจฉากันเกิดขึ้นในกลุ่มของเขาสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันอันนี้คือการเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมแล้วก็วัน คงนี้มาเลยในวันเกิดหลวงพ่อชาลีนะวันที่28สิวดมนต์เย็นยี่ก็คงเป็นวันเกิดของท่านเจ้าคณะอาเภอนายุงหลวงพ่อชาลีภูก้อนนะแต่พรรษาของพ่อก็เท่าๆกันใกล้เคียงกันกันกบหลวงพ่อชาลีแต่ไม่เคยจำพรรษาไมเคยอยู่ด้วยกันท่านก็ไปสายทั้งอื่นแต่หลวงพ่อไม่รู้จักว่าเป็นท่านอยู่กับองค์ไหนบ้างแต่หลวงพ่อเนี่ย มาตามอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็อยู่กับองค์นั้นท้าหลวงพ่อมั่นใจแลวเออครูบาอาจารย์องค์นี้ะที่เป็นที่ยอมรับอย่างหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ล่าอย่างี้ก็อยู่กับบ้านแต่มันอยู่ใกล้เกินไปไามา่อยู่กับหลวงปู่ยามก็เออใช่หลวงอาก็อยู่ใกล้บ้านเกินไปแต่ก็มาสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ ตั้งแต่หลวงปู่แว่นหลวงปู่ฉิมหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สมัยหลวงปู่สิงทองหลวงปู่สุภัทหลวงปู่เขาหลวงปู่บัวหลวงปู่อ่อนสมัยนั้นครูบาอาจารย์ยังเยอะนะก็ไปศึกษาแต่ทีครับเขาไปกราบหลวงตามหาบัวพอไปเห็นหลวงตามหาบัวกดระเบียบของท่านภายในวัดดูพระเลนแล้วก็อื่นมีความพร้อมเพียงสมัคคีกัน ดีจากนั้นเาก็ได้ฟังโอวาทของท่านแต่ที่แรกเราเคยคิดว่าจะไม่อยู่เหมือนกันนะคิดว่าจะออกไปทางน้องคายออกจากน้องคายจะขึ้นไปจังหวัดเลยอน้องคายไปทางไหนคิดว่าจะไปหาหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์ก็มาหลวงปู่บัวพาชีเชียงใหม่หลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่จะหลวงปู่เทศยังไม่ขึ้นมาหลวงปู่เทศยัง อยู่จังหวัดภูดเก็ตอยู่ในยุคนั้นหลวงปู่เลี้ยนจากนั้นก็ขึ้นไปทางถ้ำผาปูแล้วก็หลวงปู่ชาาหลวงปู่ลุยมีเยอะแยะไปสมัยนั้นครูบายการทั้งจังหวัดเลยจากนั้นเราจะจาพรรษาที่ไหนปีต่อไปหรือปีนั้นจวนจะเรียนจาพรรษาแต่เ้าก็จะจาแต่ถ้าออกพรรษาแล้วปีต่อไปเราที่เราได้ผ่านมาแล้ว เราจะเลือกอีกหนึ่งคือการสสแสวงหาครูบาอาจารย์ของผมจากนั้นผมก็ได้เข้าไปอยู่ที่บ้านตาดพอไปเห็นปฏิปทาของหลวงตาแลออ้อพอใจพอใจในแนวปฏิปทากา ร, รบการอชั้นแล้วก็ดูแบบเงียบถึงจกคู่้นจะมาเกี่ยวข้องกับท่านแต่ท่านก็ปล่อยให้พระเนนไปภาวนาตามลาพังถ้ามีหน้าที่ยังค่อยมา เปลี่ยนช่วงกันแต่เข้าไปใหม่ๆหลวงตาท่านก็เรียกพระองค์ไหนที่เข้าไปใกล้ชิดท่านก็เรียกองค์นั้นเอาไปใกล้ชิดไปดูแลถีบอยู่เวนศาลาและอุปถากท่านหลวงตาทา่านเป็นมีพระอุปถากอยู่สองสามองค์พวกเราก็อยู่ห่างๆจากนั้นก็เข้าไปช่วยท่านบ้างต่อมาตลวงพ่ออยู่มาหลายปีโอ้ไม่ได้พวกที่อยู่ศาลาเนหนักเกินไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็น ผู้ประชุมนะถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องประชุมพระเวนศาลาก็ดีเวนน้าร้อนก็ดีหลวงพ่อเป็นผู้เป็นผู้ก่อตั้งเรียกประชุมเสรแล้วกันนะวางให้พระอยู่แต่ละองค์แต่ละอาทิตย์มีชื่อประจํำมาไว้แต่ก็ยังเสียงอีกต่างหากถ้าว่าหลวงตาหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกว่าทําไมเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันทำไมไม่เอาองค์ ที่เคยอยู่มาแล้วเก่งๆกางๆเนี่ยหว้างตาเราเกับบอกให้พวกท่านทั้งหลายบอกเรานะบอกผมน ะ, เ, ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าท่านไม่ถามก็ไม่เป็นไรพวกเราจัดตามนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ต้องได้คิดเหมือนกันว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยต่อมากั น, นเราได้อยู่ที่บ้านตานเป็นเวลาสิบสี่ปีนะ พวกเรานับดูเฉยๆ 2,512 2,525 ที่หลวงพ่อได้ออกมาอยู่วัดป่านาคํำน้อยแห่งนี้12 25เป็นเวลา14ปีเปว่าอยู่กับองค์หลวงตาพอออกจากองค์หลวงตาก็แปลว่ามั่นใจว่าไม่ต้องเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์พอละละการศึกษาของเราที่มาอยู่กับ พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกองค์ลวงตาเป็นเวลาส4ปีอยู่กับหลวงปู่ล่า9ก้ปีแล้วเป็นจำพรรษาในสถานที่อื่นอีก4ีพรรษาพรรษาที่หมาอยู่ที่วัดป่าปั้นตาดจากนั้นก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสองหก็ไม่ได้ไปจำพรรษาที่อื่นอีกเลยกี่วัาเพียงพอสำหรับการศึกษากับครูบาอาจารย์ขมั่นใจว่า เราศึกษาใหญ่ตามพ่อกอตามครูะเป็นสมณีน อ, อยู่8ปีเป็นพระกี่สิกว่าปีรวมๆนับดูยี่สกว่าปีเพื่อการศึกษานี่แหละนี่คือพูดให้ฟังหมู่พวกเพื่อนฟังนะเพื่อให้เป็นแนวทางไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วทะเลถลายถลอกถลัดไปเรื่อยจำภาษาไปเรื่อยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ ไม่รู้จะเอาองค์ไหนมาเป็นแบบฉบับเป็นแนวทางการดําเนินของเราอันนั้นแปลว่าใหญ่ขึ้นมาุใหญ่แบบะทะเ ล, ะลาะทล่าใหญ่แบบไก่ป่าเขันไม่รู้จักเวลาเวลาเพราะไม่ได้ใหญ่กับพ่อกอกับครูนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดไว้เหมือนกันนะเราจะใหญ่แบบไหนต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราใหญ่กับพ่อกอกับครูถ้เรามั่นใจนะ ามั่นใจให้คำว่าเราอยู่กับหลวงตาอย่างนี้หลวงตาพาดําเนินอย่างนี้ยนนาาอย่างนี้นี้การอยู่กันชั้นอย่างนี้กิจวัตร้อวัดอย่างนี้การคบค้ามสมาคมอย่างนี้การพูดกันให้อววาดเป็นอย่างนี้เราได้ศึกษาจากนั้นเราก็มั่นใจแล้วเราก็ท่องปฏิบัติตามนั้นนี่หลวงตาพาพ่อแม่กุจาจองหลวงตาพาดําเนินอย่างนี้นะแล้วก็หลวงปู่มั่นท่านก็หลวงตัวหลวงตาท่ากรใหญ่กับหลวงปู่มั่นอีกท่านก็บอกว่าหลวงปู่มั่นพาดําเนินอย่างนี้นะ ท่านพารำเนินหลวงตาพารำเมินอย่างนี้ฉะนี้เราดูแนวแถวของหลวงปู่ลา ก, ก็ดีหลวงตามหาบัวก็ดีก็ไปในลักษณะแนวแถวเดียวกันเพราะออกมาจากหลวงปู่มั่นเพราะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้บอกให้กล่าวให้เก่พวกเราพระผู้เขามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงอยู่กับตัวเองทั้งหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์กัเพียงตะกจกเงา แต่ถ้าเราไม่ปรับปรุงกายว า, ายใจใจของเราแล้วก็เท่านั้นเหมือนกันไปอยู่กับภูเขาทองกับตัวเองก็เป็นกายอย่างเก่าเพ่อะไรเพราะตัวเองไม่ได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีถ้าปรับปรุงตัวให้ดีนั่นแหละจะเป็นชลิเป็นมงคลสำหรับพวกเราถึงผิวจะเป็นกาก็จริงแต่ใจของเราเป็นทองผ้าขี้ริ้วห่อทองใจของเราเป็นทอง พอเราได้ศึกษาธรรมะแนวทางคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นศีลเป็นธรรมแล้วใจของเราก็เป็นศีลเป็นธรรมเป็นหลักธรรมวินัยเป็นสากขยบุตรที่แท้จริงสากขยบุตรคือบุตรของพระพุทธเจ้าพอเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วก็ต้องเป็นบุตรพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วเป็นบุตรเป็นบุตรแต่ยูนิฟอร์มแต่ว่าความประพฤตินั้นเป็นลูกนอกเคาะเพราะลูกไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัย ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวันนั้นเราควรจะศึกษาควรปฏิบัติให้จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปทำตัวออกนอกลูกนอกทางเราเป็นพระนะะตอนนี้ไปรับพอรอนุโมทนาให้พร